มันล่าสมัยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆต้องเกิดจากการกระทาของเราเราจึงต้องมาปฏิบัติปฏิบัติคือมาทำกรรมฐานเป็นอาชีพให้ขยันรู้ฝันขยันรู้เป็นภาวนากรรมฐานภาวนาภาวนาใหม่ศีลใไม่ฐานใไม่ภาวนาใหม่ น, ม น, มนสูงสุดเป็นบุญที่เกิดขึ้นจากภาวนานสูงสุด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 ให้มีเหลี่ยมไหวตัวเองบ้างคนเราน่ะอย่าไม่ทำอะไรเลยถ้าไปทำอะไรก็ทำตัวเองให้เป็นคนดีอย่าเบียดเบียนตนอย่าเบียดเบียนคนอื่นอย่าทำตนให้เป็นทุกข์มันก็ดีแล้วเราจะมาให้มีเหลี่ยมไหวตัวเองบ้าง<ม>เลิกสุบุรีไล้ก็ไหวตัวเองได้เลิกหลงได้ก็ยิ่งดีประเสริฐเลิกทุกข์ได้ก็ประเสริฐเป็นจัดประเสริฐ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 อันเป็นประโยชน์ให้เกิดเจตธาแจกผู้คนให้เกิดคุณภาพกันมาในหมู่คนทั้งหลายเดี๋ยวนี้คนเราไม่ค่อยมีหลักเท่าไหร่เชื่อไปตะพื้นตะพือไปถ้าโม ก, กันยังอย่างนี้น่ะปฏิเสธการบอกการสอนแบบหลวงพ่อพูดเนี่ยก็เหมือนกับปฏิเสธตัวเองจะปล่อยให้เราหลงเหลือจะปล่อยให้เราทุกข์หลือมันเปลี่ยนความหลงได้อยู่ทําไมไม่เปลี่ยน